พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเกิดมามีกำไรจากไปอย่าให้ขาดทุน ลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันที่สิบสอง้นนะลูกหลานนะมีนาแล้วก็วันที่ยี่สิบกตรงกับวันอาทิตย์พวกเราจะได้ไปทำบุญรอบวันมราณาภาพของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารประจำทุกปี ตั้งแต่คุณแม่จากไปแต่ก่อนก็เรามาทำที่วัดพอเราสร้างพระเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปร่วมกันไปทำบุญลำดึกถึงพระคุณของคุณแม่ปีนี้ถ้าวว่าหลวงพ่อเองไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรก็คงจะไปเนะคงจะไปวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าคงจะฉันที่นิคมคำส่้อย คงจะไปแต่วันที่24เดินทางพอ ว, วันที่24จะมีการประชุมที่ขอดแก่นประชุมเรื่องมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นโพริทัตโตประชุมการค่าใช้จ่ายค่านการบริหารจัดงานจัดการใช้จ่ายเกี่ยบพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคงจะเดินทางลงไปมุกดาหารวันที่24 25คงจะฉันที่นิคมคำสร้อยยี่สิบห้าเย็นจะมีการสวดมนต์ที่วัดของคุณแม่อย่างเคยทำทำมาทุกปีสวดมนต์เสร็จแล้วก็มีการแสดงธรรมเทศนา หนึ่งกันแล้วก็เลิกแยกย้ายกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ตักบาทเช้า ว, วันที่26เป็นวันอาทิตย์จากนั้นก็ทําบุญแล้วก็คงจะแยกย้ายกันปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งน้นขอแจ้งข่าวให้กับคณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานผู้ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะอยู่แห่งหนึ่ตำบลใดอยากจะไปร่วมทําบุญ ลำลึกถึงคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงไเอเป็นผู้หญิงเป็นแม่นะแล้วก็ลงตามหาบัวท่านก็บอกว่าถ้าด้านธรรมะทางด้านจิตใจเ ร, า เ, า, เงงราเป็นยังไงใครบอกเป็นยังไงใครก็บอกความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ธหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างไร ผู้เฒ่าไม่ชีแก้วก็เป็นอย่างนั้นผู้เฒ่าไม่ชีแก้วบริสุทธิ์ทางด้านคิดใจอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นคล้าๆบอกความบริสุทธิ์ไม่ได้เลือกหญิงเลือกชายาท่านเป็นท่านหลวงตารับรองว่าคือคุณแม่ชีแก้วคือพระหรันพูดง่ายๆท่านว่าพวกเราพูดแบบไม่แปรไม่แปรสับแปรแสงนะและก็พร้อมกัน คุณแม่เนเป็นผู้หญิงวันนั้นพวกเราผู้ใดนะไปกราบคารวะคุณแม่ไปขอพอรจากคุณแม่เนะี่ยสมความมุ่ง ม, มั่ปรารถนานะะเพราะท่านเป็นผู้หญิงท่านให้พรง่ายๆ <c oughs> เหมือนกับเราขอจะตังแม่ลักษณะอย่างนั้นขอจะตางแม่กับขอจะตังพ่อในต่างกันเนละอ พ, อ, นะพอขอจะตังพ่อเนะี่ย เอาไปใช่ต้องชักไซไล่เลียงเพอเพอตาเขียวปัดขวาไม้เหลียวอีกต่างหากแต่ขอจะตางแม่เนี่ยถึงยังไงยังไงก็ยังถุงตุงไดายังไงถึงยังไงกันนั่นแหละพอน ก, ก็เลยไข้ลวงกระเป๋าออกมาให้ลูกเพราะความรักลูกนะนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเราไป ทำบุญกับคุณแม่ไปขอพอรจากคุณแม่สงความมุ่งมา่นปรารถนา ล, ลูกหลานทุกคนนะแต่คุณแม่เนี่ยเคยพยากรณ์หลวงพ่อไว้เล้คุณแม่เนี่ยพูดไว้ว่าอาจารย์อินเนี่ยอยากจะได้อะไรเนี่ยหรอยากจะทําอะไรอยากจะได้อะไรเนี่ยที่ไม่เหลือวิสัยได้ได้ได้ไดไดไดทั้งนั้น แต่ได้ยากกว่าที่จะได้มาเนี่ยได้ไดยากทั้งนั้นมาพิจารณาดูแล้วทุกอย่างเนี่ยจริงๆนะลูกหลานสธาญาตโยมถ้าหลวงพ่อทำอะไรเนะี่ยมันจะราบรื่นเนี่ยหาได้ยากโดยมากปัดแข้งปัดขวา้าเตะหน้าเตะหลังก้แต่ก็ได้เอ๊ะมันเป็นยังไงสงสัยในอดีตชาติเน่ยหลวงพ่ อ, องคงจะไป เขาจะทําอะไรหลวงพ่อคงจะไปถ่วงเขาไว้ะเองหลวงพ่อเนะี่ยคงจะไปขัดไปขวางเขาไว้มาพบนี้ชาตินี้ก็เลยทําอะไรก็เลยเออยุ่งยากไปหมดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองพบนี้ชาตินี้หลวงพ่อเนี่ยใครจะทําอะไรได้เอาเลยส่งเสริมหลวงพ่อไม่เคยขัดใครในะชาตินี้นะเพราะเราลูกล่ะวอไปขัดไปขวางเขาไว้ในอดีตมันยุ่งยากก่านที่จะทําอะไร อย่างเจดีของหลวงตาเห็นไหมนะ่ะหลวงตาจุดติให้ผ่านวางังชิลานเลิกไว้แล้วหลวงพ่อจะเข้าไปช่วยสนับสนุนในการทำพู้นะจนปีที่หกแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกมันกันเน่ยถึงจะทำลงไปแล้วเพราะคุณแม่แก้วพยาบพยากรไว้เล ย, เยอาจารย์อินทำอะไรทำได้สำเร็จแต่อยาก ให้ลูกหลานฟังฟังไว้นะแต่สิ่งใดก็ตามถ้าหลวงพ่อได้ยากให้และเลือกถึงคุณแม่ชีแก้วไว้ก่อนเลยแล้วก็อย่าลืมนะวันที่ยี่สิบหกนะยี่้าสวดมนต์เย็นที่สำนักชีบ้านหอยทรายแล้วก็ฟังธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วก็คงจะมีครูบาอาจารย์เยอะอยู่เพราะทุกปีที่ผ่านมากับพระเป็นเกือบร้อยสองร้อยองค์นะงานใหญ่แต่เรื่องอาหารการบริโภค พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นข้าวหม้อแกงหม้อรู้สึกว่าโอ้โอบอุ่นนะเรื่องอาหารการบริโภคหายห่วงแต่พวกที่จะไปตั้งโรงทานเลี้ยงแขกเลี้ยงคนก็เออเอาดีเพราะว่ า, เ, าเป็นการพบเจอกันปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งกวนจะ เ, เลี้ยงกันดูแล ก, กันแสดงออกสึกน้ำใจ ในงานของคุณแม่ถ้าไม่มีโรงทานจะเลยก็เหี่ยวแห้งไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะควรจะมีแขกไปไทยมากเรียงกันอุ่นนอิ่มนับฟ้าขังเป็นประเพณีทางอีสานของพวกเราเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีดีแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสองมีนาคมพุทธศักราช 2.560 ้า วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่เดือนสี่เพ็ญนะลูกหลานนะวันนี้นะผู้ใดยังไม่เคยสมาทานศีลก็ควรจะสมาทานศีลห้าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่า น, นี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมัตสวนระท่านถือมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแต่ครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นท่านก็ได้เข้ามาที่กรุง ร, ราชสกุออลโปรดพระเจ้าพิมพ์พิสารโปรดชดินอุลุเวลานาทีกัสระย์จนได้สําเร็จเป็นพระรหันต์จากนั้นพระเจ้าพิมพ์พิสารก็ถวายวัดป่าเวลุวันคือป่าไม้ไผ่เวลุแปลว่าไม้ไผ่วัดป่าเวลุวันคือสวนไม้ไผ่ถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็รับจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็มากราบพระพุธเจ้าโดยสม่ำเสมอแต่ศาสนาอื่นในยุคนั้นเขาก็ว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญของเขาอย่างศาสนาคริสต์ก็ถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันสำคัญแต่ในพุทธศาสนาในยุคนั้นก็ยังไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพุทธบริษัทสอุบาสกอุบาสิกาที่จะมาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่รู้จะมาวันไหนแต่ก็มาทุกวันได้ก็ดีแต่ถ้าจะมาทุกวันมันก็คงจะขาดตกบกพร่องในการทำมาหาเลี้ยงชีพของเขาควรจะรวมกันมาเป็นครังคลาวเรืองเป็นวัน ข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นวัน8ดค่ำสิบห้าค่ำจะพอเหมาะไม่หนอไปเจ้าข้าลักษณะอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็อนุมัติอํานวยอวยตามที่พระเจ้าพิมพ์พิสารขอจากนั้นจึงมีวันสําคัญขึ้นใหม่มาในพระพุทธศาสนาคือวันแปดค่ำเป็นวันธรรมสวนะัสดิ์ แล้วก็วัน14บสี่สบห้าค่ำถ้าว่าเดือนขี่ก็เป็น14บ่ค่ำถ้าเป็นเดือนคู่เดือนสนะี่เนีหวังวันนี้ก็เป็นสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำเป็นทำเป็นวันธรรมมสวรนระเป็นวันปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุท ธ, ธบริษัทเรานับเนื่อวันเขาเข้าเนื่องต่อเนื่องเข้าหุ้นบริษัท บริษัทพุทธะเราก็ควรจะปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างแปดคำสิบห้าคำอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดก่อนหลับนอนก่อนจะนอนให้ไหวพระสก่อนอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิอธิวัตอภิวัตประพุทธเจ้าแล้วก็สวาขาโตขออภิวัตพระธรรมคำสอนของประพุทธเจ้า สุปฏนนิปโนควโตวสาวกาสังโฆขอพิวาทพระ ส, สงสาวกของพระพุทธเจ้าจากอนั น, นะโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมเดียพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เ, เพียงแค่นี้ก็นะ่นับว่าเป็นพุทธศาสนิกชนมิใช่ว่าเวลาจะนอนกระโจมตามเหมือนกับบัวควายหมูหมานอน หมานอนหลวงปู่ตื่อบอกว่าหมานอนมันยังมันยังเดินวนวนวนวนเท่า น, น, น, นมันยังนอนมันดีกว่าคนนอนคนนอนมันนอนตูมหงายพึงเลยไอ้หมานอนมันยังวนเก่อนไอ้วนสามรอบเท่านมันยังค่อยนอนหลวงปู่ตือว่านะเอะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สังเกตพลวงพ่อไม่ได้อเลี้ยงหมามานานมันนอนมันเวียนจริงจริงหรือเปล่าเขามไม่รู้นะให้พวกเราเสังเกตบุ้งนะอันนี้เป็นเป็นคำหลวงปู่ตื่อท่านพูดนะ ถ้าว่าพวกเรานอนไม่วหวไม่กราบพร ะ, สะเสลยมันก็สู้หมาไม่ได้เพราะนั้นในพวกเรานะก่อนจะหลับนอนต้องกราบลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆส์ก่อนถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ควรจะเป็นอย่างนั้นที่หลวงพ่อบอกนะและก็พร้อมกันกับวันพระอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ มีสินฮาไว้กว่าดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผนะู้สูงอายุสูงวัยแล้วนะ่ะ เ, เราก็ผ่านโลกผ่านสงสารมานานก็ควรจะมองหาหนทางให้ตนเองบ้างไม่ใช่ว่าจะลุ่มหลงมัวเมาหาเศษปากเสษท้องอถ้าหาเสษปากเสท้องอย่างเดียวมันก็เหมือนกับสัตว์สาราสิงมันไม่ประกอบไม่ได้มุกมองไปข้างหน้าไม่ได้มองหาคุณงามความดี ไม่ได้มองหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเสเลยมีแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถึงจะเลี้ยงไปขนาดไหนก็เลี้ยงเะเลี้ยงดีขนาดก็เลี้ยงเถอะมีแต่อาหารดีๆทั้งหมดก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงไปเลี้ยงไปกรนั้นผมขาวตาฝ้าฟางเขี่ยวเอฟันหลุดหนังเหี่ยวเผลผลิตทำไมตายง่ายกันใช้ไม้เท้าค้ํายันไปละเถอะ นี่แหละเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็มันไปลักษณะอย่างนั้นล่ะเพราะนั้นเลี้ยงพอประมาณให้เลี้ยงจิตใจให้จิตใจมีศีลมีธรรมให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุขผมก็ตายจากาชาติชาตินี้ไปแล้วนู่นไปสู่สวรรค์ยังมาอยู่ในโลกไปพักอยู่สวรรค์ซะก่อนยังค่อยมาค่อยมาบำเพ็ญคุณงามความดีต่ออีกอไม่ใช่ว่าพอออกออกไปจากชาตินี้ไม่คิดไม่อ่านอะไร พอออกจากเจวชาตินี้เราไปตกนรกซะก่อนนะไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์ทิระาันเป็นช้างม้าวัวควายหมูม้าเป็ดไก่ยิ่งทุกข์กว่าเป็นมนุษย์อีกก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะคิดเมื่อได้ยินมาแล้วได้ฟังฟังอย่าดันทูลังฟังอพอฟังแล้วก็นาไปประพฤติธปฏิบัติ่ ตามพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะท่านว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกจริงหรือเปล่าท่านพิสูจน์ด้วยอย่างไรท่านจึงรู้ว่าตายแล้วเกิด เ, เราก็ปฏิบัติตามดูสินั่งภาวนาดูสิเมื่อนั่งภาวนาจิตใจสงบนะจะรู้ได้โดยตนเองร่างกายกับใจใจกับกายเห็นได้ชัดเลยท่านี่กายกับร่างกายกับใจที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่า ร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าเนี่ยแหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะกนัตถาญาตโยมแต่หลวงพ่อก็ะเพิงมาเมื่อคืนนะเป็นวันปงเป็นวังปงผมอีกต่างหากนะเมื่อวานเนะ่อหลวงพ่อก็เป็นห่วงวัดเหมือนกันหลวงพ่อออกจากวัดไปตั้งแต่วันวันที่เก้านะกหนูลูกหลานนะ ทางผู้ใดมาเมื่อ ว, วานกน่คงจะไม่เจอหลวงพ่อมาวันเสาร์นะออกจากวัดไปตั้งแต่วันที่เก้าออกตั้งแต่ตีสี่หลวงพ่อไปไหนหลวงพ่อไปนู่นไปขอนแก่นคือธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาขอนแก่นคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยนะเขามาออกมาแล้วเขาก็สร้างอาคาร เป็นของเขาอนะไรเขาก็เลยมาเปิดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะียมาเปิดวันนั้นเมื่อวันที่เนะก้าแล้วการละกุหัวหน้าสวนราชการเต็มไปหมดวันนะั้นแต่ว่ากรกศที่จะเข้าไปโอ้ชาวบ้านเนะ่ยเข้าเข้ายากอยู่เพราะว่เขามีบัตรอมีบัตรตรวจทุกคนเลยที่จะเข้าไปนะะลวงพ่อก็ไปสวดมนต์ ก็มีพระกูบายจารทั้งหมดยี่สิบกว่าองค์มั้งฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์แล้วก็แยกย้ายกันเสร็จแล้วก็ลงพ่ อ, อามาพักอยู่บ้านของโยมจากนั้หลงพ่อกันะมาขึ้นเครื่องที่สนามบินขอนแก่นตอนบ่ายสามโมงาจะนันก็บินลงไปกรุงเทพเไปพักไปพัก อยู่ที่สวนแสงธรรมตอนเช้าวันศุกร์โอ้คนเยอะนะคนเยอะที่สวนแสงธรรมในเช้าวันนั้นเสร็จแล้วก็ไปฉั้นเสร็จแล้วก็ไปทาธุระพูดคุยเกี่ยวกับพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องพระเจดีย์ถามไทยผู้ใหญ่ มีความเห็นยังไงให้คาชี้แนะชี้นำจากนั้นผมเมื่อวานก็มาฉันที่ฉันที่สวนเจริญธรรมจะไปธุระนะวากลับมาอีกเมื่อวานมาฉันอยู่ที่ห้างห้างเดอซินทาวอินทาวทาวอินทาวอยู่ในกรุงเทพนะอันเนื่องมาจากคุณด้านนยฉันเจ้าชาย ที่มูลนิธิทำดีวันมูลนิธิทำดีเพื่อแผ่นดินทำดีเพื่อพ่อเขาจะถวายภาพป่าเกี่ยวกับบํารุงวัดของเราเนี่ยแหละที่น้ำท่วมลูกพ่อก็ได้ลงไปรับเมื่อวานรับลงลงไปถึงมันนั่นแหละรับเมื่อวานโอ้พี่น้องประชาชนก็เยอะนะเยอะพอสมควรอยู่ในห้างใส่บาท เสร็จแล้วหลวงพ่อก็บฉันเสร็จแล้วก็พูดอะไรกับพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วก็มาขึ้นเครื่องเมื่อวานที่แล้วก็ขึ้นเครื่องคิดว่าเที่ยงไม่ทันก็เลยขยับมาเป็นบ่ายสามโมงเมื่อวานขึ้นเครื่องบ่ายสามมาถึงวัดมาทาธุระตามลายทางบ้างจะมาถึงวัดตัวจะโปรงผมเสร็จนี่แหละภารกิจของหลวงพ่อนะลูกหลานนะ วันนี้เป็นวันพระอีกวันนี้ก็ฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะไปลงอุโบโสถอีกประมาณชักเที่ยงนะอุโบโสถใ น, นเที่ยงนะวันนี้อตอนเย็นก็คงจะมีไหว้พระสวดมนต์ที่วัดของเราเป็นประเพณิธรรมมาเป็นประเพณีทุกวันพระอยู่แล้ว น, ะนี่แหละอันนี้บอกกล่าวให้คณะสธาน ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังนี่แหละ เป็นพระเป็นเจ้าเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบเหมือนพระพุทธรูปมันไม่ได้พระพุทธรูปนี่ยทูลเชิญพระองค์ท่านมาแล้วก็มาประทับนั่งอแต่ภาพอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนยจะต้องดูกิ จ, จวัดข้อวัดยังไงปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างไรนี่แหละ แต่เป็นอย่างพระนะอย่างพวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกากูเหมือนกันก็ควรจะคิดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เ, าเบื้องตน้นถึงวันพระวันศีลมาปฏิบัติตนอย่างไรประกอบคุณงามความดีอย่างไรอย่าไปอยู่แบบที่ไม่ไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นะเพวกเราเป็นเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่าให้ขาดทุน เกิดมาอย่างที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นแล้วยกอีกปฏิรูปรเทศวาโซจะปุเพจักกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปนิธิจาเมื่อได้พบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าเราควรตั้งตนไว้ชอบอัตตสัมมาปนิธิยาทะเลทะไลัยไม่ใช่เกิดมาแล้วกินเหล้าเมายาเที่ยวสมะเลเทเมาไม่ได้ศึกษาธรรมะ อยู่แบบเปล่าประโยชน์พอออกจากชาตินี้ไปแล้วน่ะตกต่ำนะจนี้ๆตามแนวแถวของพุทธะนะไม่ใช่หลวไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะให้พวกเราศึกษาไปศึกษาทำคำสอนของพุทธนะท่านตรัสไว้อย่างนั้นอแต่หลวงพ่อเชื่อไหมหลวงพ่อเชื่อหลวงพ่อจึงนํามาพูดให้กับลูกหลานฟังถ้าหลวงพ่อไม่ไม่เชื่อจะพูดทําไมใช่ไหมถ้าเขาพูดคือมาแล้วไม่เชื่อสิ่งนั้นไม่เชื่อจะมาพูดต่อได้จกอย่างไง อันนี้หลวงพ่อเชื่อในพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะไม่ใช่เชื่อธรรมดาเชื่อเกินเกินร้อยทำไมจึงขนาดนั้นหลวงพ่อเนะพราะหลวงพ่อเนะี่ยฝากฝังชีวิตในไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นสัมมาเนนปฏิบัติมาตามแนวแถวของพุท ธ, ธะ เ, เป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เดินตามแนวแถวไปแนวแถวถูกตามถูกต้อง อย่างที่พระพุทธเจ้าทรนวร์ยกตัวอย่างเอาเนี้นะเดินจากนาคาน้อยเนี่ยอันดับแรกไปเจอบ้านนาคังก่อนนะเจอบ้านนายุงก่อนนะจากนั้นก็ไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นเราก็เดินตามที่พระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะมันก็จริงอย่างที่ท่านได้ตรัสเอาไว้เพราะนั้นเราจรึงเชื่อเชื่อในภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัติ เมื่อนั่งภาวนาจิตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะจิตสงบนะจิตจะนิ่งอย่างนั้นนะเมื่อจิตสงบจิตนิ่งแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีทุกคนจะได้เจอจิตที่เข้าสู่ความสงบนั้น <_" S 1> ในเมือ่อจิตใจของเราความสงบเข้ามามันก็มีความสุข อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนะนี่ยแหละเพราะฉะนั้น เ, ออเราจึงเชื่อ อ, อไม่ใช่แต่ท่านบอกมาแล้วก็เชื่ออะไรไม่ใช่เรานํามาปฏิบัติแล้วนะอ อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าดูก่อนสารีบุตรที่ตถาคตตัดไปในทูตพูดไปในเธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าข่าเพราะข่ายังพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปป ฏ, ปฏิบัติแล้วข้าพระองค์จะกลับทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าข่านะ นี่แหละอันนี้ให้พวกเราฟังพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และต้องฟังนะแล้วก็นําไปประกอบพิธปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนจากเราเป็นสมบัติของเราเพียว เราปฏิบัติได้ยังไงก็เป็นจมบัติของเราล้วนออท่านไม่ได้แบ่งสันปันส่วนท่านมีแต่ชี้ขุมทรัพย์ให้ตนเองอขุมทรัพย์อยู่ตรงนนตรงนี้นะปฏิบัติอย่างนู้นะน อ, ยนนอย่างนี้นะจะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านมีแต่ชี้แนวทางทาให้ถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ทุกข์ยนต์ต่อไปเปลี่ยนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารต่อไป ทุกจนต่อไปแต่ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะอย่างน้อยอเราเราก็ได้รับความสงบทางด้านจิตใจบุญกุศลก็จะเกื้อกูลหนุนเหล่าจะไปเกิดในภพภูมิใดก็เลือกเกิดได้เพราะเราเป็นผู้มีบุญเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังนะฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อได้พูด แนวแนวหลายความคิดให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันดับแรกคนนั่นตั้งแต่งานวันของคุณแม่ชีแก้วอันนั้นก็ให้พวกเราเมื่อได้ยินทุกคนได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยผู้ที่จะไปร่วมสมทบทาบุญกับคุณแม่ก่อนเนะเชิญเนะพบกันวันที่ยี่สิบห้าเย็นวันที่ยี่สิบหกทำบุญตักบาตรเช้าที่วัดของคุณแม่นะ เอาตอนนี้ไปรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร